มีเรื่องที่จะขอแรงให้พวกเราช่วยประกาศไปยังคนที่รู้จักก็คือว่าใครที่ประสงค์จะมาค้างแรมที่สุกโตก็ตามวัดภูเขาท้องก็ตามนับตานี้ไปนะจนถึงวันที่หก็ขอให้เตรียมเครื่องนอนมาเองด้วยตั้งแต่เต็น์ไปถึงผ้าห่มเพราะว่าไม่แน่ใจว่าทางวัดจะ มีเครื่องนอนไว้เพียงพอสำหรับผู้ที่จะมาค้างแรมหรือเปล่าเนื่องจากจำนวนคนที่ทยอยมาก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะนั้นเพื่อให้ได้แน่ใจว่ามีได้หลับได้นอนกันสบายนะตามสมควรก็ให้เตรียมเครื่องนอนมากันเองถ้าเกิดว่าวันไหนมากันน้อยอทางวัดก็พอที่จะจัดหาเครื่องนอนให้ได้ รวมทั้งห้องพักแต่ถ้าไม่มีห้องพักก็ต้องกางเต็นท์หะนะหรือไม่ว่ากางกรดแล้วคนนี้เนี่ยสำหรับเฉพาะผู้ที่มาค้างแรมวันที่5นะนอกจากเตรียมเครื่องนอนมากันเองแล้วอย่างที่ว่าก็ถ้ามาเป็นกลุ่มนะให้แจ้งจำนวนคนที่มาด้วยแจ้งทางอีเมลนะอาตมาก็ได้เขียนรายละเอียดลงไป ใน Facebook แล้วนะอัพขึ้นไปเมื่อเช้านี้พวกเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะง่ายๆคือแค่แชร์แชร์ข้อความที่อาตมาเขียนไปแล้วก็บอกให้เพื่อนๆช่วยกันแชร์ต่อๆกันไปเพราะว่านะจะได้เตรียมตัวกันได้ทันนะคนไหนที่ยังไม่สามารถจะไม่ได้เป็นไม่ได้มาเป็นแอดเป็นเพื่อนอาตมา ก, ก็ฝากเพื่อนให้ช่วยแอดหรือว่าช่วยแชร์ส่งต่อกันไป อันนี้เป็นเป็นงานที่อยากจะให้พวกเราได้ช่วยทำกันตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะถ้าหากว่าทำได้คนนี้สำหรับแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามนะที่ตั้งใจว่าคืนมาที่5้ามาก็จริงแต่ว่าจะไม่นอนอันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เป็นเรื่องง่ายเลยนะจะมาเนสั์ชิกนะเนสัชชิก ค, คือว่าไม่นอนนะ เป็นเพื่อนนะมาจะปฏิบัติเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อจนกว่าสรีระของท่านจะกลายเป็นอัฐิและอังคารอันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะก็จะง่ายเลยนะไม่ต้องเตรียมเต้นไม่ต้องเตรียมเครื่องนอนมามาบาเพ็ญกั น, กนทั้งคืนไปเลยนะจนสว่างอันนี้ก็ถือเป็นการเชิญชวนด้วยนะแต่ถ้าทำไม่ไหวไม่เป็นไรนะแล้วแต่ความถนัดหรือว่า รวมทั้งแล้วแต่ความศรัท ธ, ธาและความเพียรบางคนสังขารไม่ให้นะก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราช่วยกันประกาศส่งต่อๆกันไปนะเพราะว่ า, เ, าเรื่องจำนวนคนก็มีนายโน้มว่าจะมากันมากแต่มากเท่าไหร่ไม่รู้นะทางวัดก็พยายามที่จะตัดหาที่พัก ให้กับผู้มาพัมาค้างแรมนะนอกนอจากที่สุกโตแล้วก็ที่วัดภูเขาทองแล้วก็มีโรงเรียนนะแล้วก็วัดสายทองรวมทั้งบ้านชาวบ้านนะที่ยินดีจะต้อนรับนะผู้มาเยี่ยมเยียนบ้านละิหลังบ้างยีสิบาละ10คนบ้าง20คนบ้างนะ ตอนมีก็ตอมีอยู่ประมาณ 5-10 หลังนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะค้างวัดนะก็ต้องเผื่อใจนะกางเต็นท์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีที่กลางเต็นท์ได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องไปกลางเต็นท์ส่วนหนึ่งที่โรงเรียนด้วยเพราะว่าโรงเรียนก็มีสนามอพอสมควรอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาปฏิบัติธรรมมาทาความเพียรด้วยนะแล้วก็มาเรียนรู้ที่จะอยู่ กับสิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางนะไม่บนไม่ตีโพยตีพายไม่ผลักไสนะก็เป็นการาฝึกใจให้รู้สู้ๆนะไม่ใช่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเช่นความคิดปรุงแต่งความหมงุดหงิดความไม่พอใจแต่ว่ารวมถึงการวางใจเป็นกลางกับอารมณ์ภายนอก ที่พักที่อาศัยนะไอ้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นแบบฝึกหัดอย่างดีให้กับพวกเรานะในการที่จะปฏิบัติธรรมเจริญสติอันนี้ก็รวมไปถึงการทำงานด้วยนะการทำงานในช่วงสี่ห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งจากนี้ไปหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันมาลบกวนแทรกแซงการปฏิบัติของเรานะ เราอยากจะเดินจงกรมอยากจะปฏิบัติในกุตตนะิในวัดแต่ว่าที่ภูเขาทองก็มีงานหลายอย่างที่ต้องอการความช่วยเหลือจากเราเมื่อเราไปที่นั่นนะก็ให้เรารู้สึกเป็นกลางนะกับงานการต่างๆที่ทำให้ถือว่านั่นคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง แล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่ได้ผลหลายอย่างมีอ น, นิสงส์มากนอกจากเป็นประโยชน์กับเราเองในเรื่องของการเจริญสติให้รู้กายรู้ใจไปกับในระหว่างที่ทำงานแล้วนะก็ยังเป็นประโยชน์ท่านเป็นประโยชน์ท่านก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่มาคารวะสรีระหลวงพ่อแล้วก็เป็นการ ทำให้งานของหลวงพ่อเป็นไปอย่างราบรื่นนะจะเรียกว่าสมเกียรตินะก็ก็ไม่รู้จะเรียกได้หรือเปล่าเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้สนใจนะเรื่องเกียรติยศอยู่แล้วเพราะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยท่านก็ไม่คงไม่ได้คิดจะให้งานมันขนาดนี้นะแต่ว่างานก็ขยายไปเรื่อยๆเพราะว่าลูกศิษย์ลูกค้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ อันนี้ก็เป็นให้เราถือว่านอกจากมาเป็นการสนองคุณหลวงพ่อหรือว่าเป็นการทำความดีของท่านให้แพร่หลายทำให้คําสอนของท่านปรากฏเป็นการทำเพื่อทั้งหลวงพ่อทั้งเพื่อธรรมนะแล้วเนี่ยก็เป็นการฝึกใจเมือเจริญงอกงามต้องกล้าที่จะเข้าไปออกออกไ ป, ปเผชิญกับสิ่งภายนอกรับแรงที่มากระทบนะแล้วก็ได้ได้ตามดูรู้ทันกายใจของเรานะ นักปฏิบัตินี้ต้องเรียกว่ายืดหยุ่นปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ไม่ใช่ว่าคุณแต่อยู่แต่ในวัดแต่ว่าพอไปเจอสิ่งภายนอกก็ปรับตัวไม่ได้ก็เลยไม่อยากจะไปเผเชิญไม่อยากจะออกไปอันนั้นก็จะทำให้เรากลายเป็นคนอ่อนแอมากขึ้นนักปฏิบัตินี้โดยเพราะแนวหลวงพ่อเทียนหรือลูกศิษย์ของหลวงพ่อคําเขียนนี่ ต้องพร้อมที่จะไปรับแรงกระทบกับทุกอย่างหรือว่าไปเจอกับอะไรก็ตามที่มันไม่แน่ไม่นอนนะแล้วตรงนั้นแหละมันจะเป็นโจทย์นะเพราะว่าถ้าเรามีสติดีนะมันจะผันผลปวนแปรแค่ไหนใจก็นิ่ ง, งได้นะนเพราะรู้ไม่ใช่เพราะไม่รู้ไม่ใช่เพราะว่าตัดการรับรู้ตัดการสัมผัสหรือว่าไปควบคุมพัฒนาสอนั้นไม่ใช่มันควบคุมไม่ได้เราเปิดเราพร้อม แต่ว่าใจาสงบนิ่งแล้วก็อย่าลืมนช่วยกันประกาศนะข้ อ, อความที่อาตมาได้เอาขึ้น Facebook ไปแล้วนะช่วยกันแชร์กันไปเรื่อยๆนะก็จะช่วยทำให้ผู้ที่มานี้ได้รับความามีความเต็มพร้อมมากขึ้นนะสำหรับการมาค้างแหลมที่วัดนะเตรียมรับพร